ธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยมันมีจำนวนมากเหลือเกินนอกจากมากแล้วยังมีหลายระดับด้วยเป็นธรรมะที่จะอยู่กับโลกก็มีธรรมะที่จะพัฒนาตัวเองให้เหนือโลกก็มีธรรมะที่อยู่ในโลกเนี่ยไม่สามารถช่วยเราให้ขึ้นไปเหนือโลกได้ขึ้นโลกุตตรละไม่ได้แต่เป็นพื้นฐานถ้าไม่มีธรรมะระดับพื้นฐาน เราก็ขึ้นไปสู่โลกุตละไม่ได้เหมือนกันแต่ลำพังธรรมะขั้นพื้นฐานมีฐานมีศีลมีสมาธิอะไรพวกนี้ยังไม่สามารถพาเราไปสู่โลกุตละโดยตรงได้ต้องมีการเจริญปัญญาเังนนธรรมะ ม, มีหลายระดับนะธรรมะที่จะอยู่กับโลกพื้นๆทั่วๆไปสอนให้เป็นคนดีสอนให้ไม่ทำความชั่วไม่ให้เบียดเบียนกัน จะสอนให้รู้จักดํารงชีวิตอย่างฉลาดเพื่อจะได้อยู่กับโลกแบบทุกน้อยน้อยหน่อยอยังสอนไม่ให้คบคนพาลสอนให้ครบบัณฑิตเลยเนี้ยถ้าใครไปครบคนพาล น, นะก็ลําบากอัปมงคลกับชีวิตถ้าครบบัณฑิตนะก็เป็นมงคลกับชีวิตธรรมะของท่านมีหลายระดับหรือการดํารงชีวิตอยู่ในโลก ท่านก็ยอมรับว่าความสุขมีหลายอย่างนะความสุขจากการที่มีทรัพย์สินเงินทองก็มีหาทรัพย์สินเงินทองมาได้ความสุขจากการใช้ทรัพย์สินเงินทองก็มีไม่ใช่ท่านปฏิเสธเงินเรารู้หน้าที่ของเรายังทํามาหากินอยู่ก็ต้องทํามาหากินไม่ใช่ขี้เกียจขี้คลานอะไรอย่างนี้ธรรมะบางอย่างนะมันเราดูเราตื้นๆถ้าเราไม่ทำเนี่ยโอ้โหความทุกข์มันตามมาแสนสาหัสเลย อย่าง ค, คนพานถ้าใครปล่อยให้คนพานเข้าใกล้ตัวนะโอ้ยลำบากกว่าจะไล่ไปได้สักคนหนึ่งนี่ไม่ใช่ง่ายเลยคนพานคือคนที่มันไม่รู้ผิดชอบชัว่วดีใครใครเข้าใกล้ก็ลำบากหรืออย่างศีลห้าดูเผลอๆไม่เห็นจะมีอะไรมากนะถ้าเราไม่มีศีลนะชีวิตเราลำบากเงินคนไหนมีศีลเนะี่ยมีความสุข ชีวิตสงบร่มเย็นมีพื้นฐานที่ดีนี่ธรรมะระดับโลกโลกธรรมะที่จะขึ้นไปเหนือโลกนั่นก็เรื่องของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ก็ต้องเรียนแต่เป็นธรรมะอาภัพไม่ค่อยมีใครเรียนพวกที่เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายเอาเข้าจริงก็ไม่ค่อยได้เจริญวิปัสสนาอย่างเก่งที่สุดก็ทําสมถะไปไหนๆก็เจอแต่คนทําสมถะนะเพราะไม่รู้ว่าวิปัสสนาทํำยังไง ไม่รู้ว่าจำเป็นยังไงด้วยซ้ำไปบางคนมีทิฏฐิคือมีความเห็นผิดทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดนะโดยตัวมันถ้าเรียกคำว่าทิฏฐิเฉยๆเป็นชื่อของกิเลสเลยเป็นความเห็นผิดบางทีขยายให้ชัดว่ามีชาทิฏฐิถ้าความเห็นถูกก็ต้องมีชื่อเฉพาะต้องเรียกสัมมาทิฏฐิบางคนมีทิฏฐิคือมีความเห็นผิดว่านั่งสมาธิมากๆแล้วจะเกิดปัญญา บางคนก็ต้องเชื่อว่าต้องทําสมาธิก่อนถ้าทําสมาธิไม่ได้ทํำมิปั ส, สนาไม่ได้เ ช, ชื่อตามๆกันเชื่อตามๆกันมาอย่างนี้ไปไหนๆใครๆก็เชื่ออย่างนี้ฟังแล้วดูดีฟังแล้วน่าเชื่อถือเพราเราคุ้นเคยนะอย่างเราเห็นพระพุทธรูปใช่ไหมหรือดูพุทธประวัติเนี่ยมันต้องนั่งสมาธิก่อน ถ้าท่านนั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งแล้วมารมาผจญอย่างนี้ท่านชนะมารแล้วท่านก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่เพราะเวลาพระปางตรัสรู้นะเราชอบวาดภาพปั้นขึ้นมาเป็นพระนั่งสมาธิความจริงแล้วตอนที่ตรัสรู้เนี่ยจะยืนจะเดินจะนั่ ง, จ ะ, งจะนอนได้ทุกอิริยาบถหรอกมันไม่เกี่ยวกับอิริยาบถ ท, ทางร่างกายเย่างแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสรูต้ตอนนั่งสาวกของท่านบางองค์ก็เข้าถึง ความเป็นพระอรหันต์ตอนยืนก็มีตอนเดินก็มีนะตอนนอนก็ยังมีเลยแต่ตามสถิติตอนนอนมีน้อยนะที่อัศจรรย์มากกว่าเพื่อนคือตอนเองคือพระนนทนะ์ไม่ได้เกี่ยวเลยนะว่าอยู่ในอียาบทใดพงแต่ว่าเราคุ้นเคยกับพระนั่งเราก็เลยคิดว่าต้องนั่งสงมาธิก่อนถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อีกอย่างหนึงก็ไปดูหนัง ทีวีสีช่องเจ็สมัยโบราณนะเดี๋ยวนี้มีเปล่าไม่รู้ชอบมีหนังหรือสีชีไพจาจักจักรวงๆตอนเช้าเชสิงหาไกลพบไปเลยพวกนี้นะสมัยโบราณ <c oughs> ใหม่ๆเรื่องอะไรไม่รู้ละรู้แต่เรื่องโบราณโบราณอยนะ่างนั้นผู้วิเศษทั้งหลายมันนั่งหลับตาทั้งนั้นเลยเราก็วาดภาพไว้มันต้องหลับตาไว้ก่อนลืมตายังไม่ค่อยจะเห็นเลยมีหลับตาให้เห็น ทั้งดั้งที่ลืมตาอยู่ยังฝันเลยไปนั่งหลับตาให้ฝันหนักกว่าเขาเนี่ยมีจฉาทิฏฐินะคือเราคิดเอาเองเต้องนั่งสมาธิมากๆแล้วจะบรรลุธรรมคนละเรื่องกันถ้านั่งสมาธิแล้วบรรลุธรรมเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีพระพุทธเจ้าเลยฤาษีชีปลายเขนั่งมาก่อนขนาดเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังไปต้องไปเรียนกับฤาษีไปหัดเข้าฌาน เข้าอากินจัญญายตนะเข้าเนวสัญญานาะสัญญายตนะเข้าถึงฌานที่เจที่8จากอาจารย์สององค์เสร็จแล้วท่านยังบอกว่ามันไม่ใช่ทางถ้ามันใช่ทางท่านก็คงบรรลุไปแล้วแต่ท่านก็สรุปว่ามันไม่ใช่ทางเป็นพวกเรานะ้าเลิกความคิดความเห็นสักทีว่าจะต้องนั่งให้นิ่งสะกก่อนนะถึงจะมาเจริญวิปัสสน า, าคนละเรื่องกันเลย การนั่งสมาธินั้นบางคนจําเป็นบางคนไม่จําเป็นแต่การทําสมาธินั้นเป็นประโยชน์ดีกรีของเป็นประโยชน์กับดีกรีของจําเป็นไม่เท่ากันสมาธิเป็นประโยชน์กับทุกคนแหละใครทําได้ก็ดีได้พักผ่อนจิตใจมีเรี่ยวมีแรงพอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วมันอยู่ที่ว่าสามารถใช้จิตใจที่มีเรี่ยวมีแรงแล้วมาเจริญปัญญาเป็นหรือเปล่า สมาธิมันก็คล้ายๆเราไปเอ็กซ์ไซร์ร่างกายเราแข็งแรงร่างกายแข็งแรงแล้วยังไม่รวยหรอกต้องทํามาหากินก่อนถึงจะรวยจิตใจสงบจิตใจแข็งแรงด้วยสมถะก็ยังไม่เกิดปัญญาหรอกต้องไปเจริญปัญญาแบบเดียวกันร่างกายแข็งแรงนะั้นนึกว่าจะรวยเลยไม่มีทางหรอกคนละเรื่องกันแต่ว่าร่างกายอ่อนแอมากไปทํามาหากินก็ไม่ไหวจิตใจไม่มีเรี่ยวมีแรงก็ไปทํา การเจริญสติเจริญปัญญาอะไรที่เข้มแข็งขึ้นไปก็ไม่ไหวเหมือนกันเพั้นสมาธิก็คล้ายๆการเอ็กซ์ไซส์ทำให้จิตแข็งแรงทำให้จิตมีกำลังแล้วก็ต้องเอาจิตที่มีเรียวมีแรงมีกำลังแล้วไปเจริญปัญญาเหมือนการฝึกร่างกายให้แข็งแรงแล้วเอาร่างกายที่แข็งแรงไปทำมหากินจะได้ร่ำรวยขึ้นมาอะไรแต่อย่านึกนะว่าทำสมาธิแล้วจะบรรลุไม่มีทางเลย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 เนี่ยวิ่งไปทางจมูกเนี่ยวิ่งไปทางลิ้นทางกายทางใจคือวิ่งพลานไปหาอารมณ์ทางทวารทั้ง6วิ่งพลาดไปอยากดูวิ่งไปดูอยากฟังวิ่งไปฟังอยากได้กลิ่นนะวิ่งไปดมอยากรู้รสก็วิ่งไปชิมมันไปสัมผัสนะอยากรู้สัมผัสทางกายก็หาอะไรมากระทบมันวิ่งพลาดพลาดตลอดเวลาจิตที่มันวิ่งไปวิ่งมาจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ทีนั้นมันไม่มีความสงบสุข การทำสมถาก็คือการน้อมจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ให้วิ่งพล่านพลัน้นวิ่งวิ่งไปวิ่งมานี่ไม่มีเรี่ยวมีแรงฟุ้งซ่านวุ่นวายนั้นหลักของสมถางง่ายๆน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องก็ต้องเลือกอารมณ์ต่อไปนี้ก็ต้องเลือกอารมณ์อารมณ์ชนิดไหนที่จิตของเราน้อมไปแล้วก็สงบง่ายแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันบางคน หายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าอะไรแค่นี้ก็สงบบางคนแค่พุทโธก็สงบบางคนดูท้องพองยุบแล้วสงบบางคนไปเดินจงกรมแล้วก็สงบบางคนขยับมือก็สงบอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ใจชอบถ้าใจชอบอารมณ์ันไหนแล้วเราน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์มันนั้นจิตจะมีความสุขเมื่อจิตมีความสุขในการรู้อารมณ์มันไหนแล้วก็จิตก็จะชอบ ไม่อยากไปหนีไปอยู่กับอารมณ์อื่นเนี่ยเคล็ดลับมันง่ายๆแค่นี้เองถ้าจิตมันชอบอารมณ์มันไหนนะ้ะไปอยู่กับอารมณ์มันนั้นมันก็ไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นที่จิตมันวิ่งพล่านไปอารมณ์น้นทีอารมณ์นี้ทีนะเพราะมันไม่มีความสุขในการรู้อารมณ์จริงๆหรอกมันวิ่งไปดูนึกว่ามีความสุขดูๆแป๊บๆก็เบื่อละไม่เห็นจะมีความสุขตรงไหนเลยวิ่งไปฟังนะอุตส่าห์ไปซื้อ c ีดีมาฟังเพลงโน้นเพลงนี้นะฟังฟังไปเดี๋ยวก็เบื่อแล้วไม่เห็นมันจะมีความสุขตรงไหนเลยเนืใจมันไม่เต็มมันไม่หยิมมันไม่พอใจมันไม่มีความสุขในการรู้อารมณ์แต่ถ้าเราเลือกอารมณ์กรรมาฐานสักการหนึ่งที่ใจไปอยู่ด้วยแล้วใจมีความสุขนะใจจะไม่อยากหนีไปที่อื่นอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆหลวงพ่อชอบหายใจความจริงก็หายใจมาแต่เกิดน่ะนะไม่ใช่มาหายใจตอนมหัสภาวนา แต่ตอนตั้งแต่เกิดมาเราก็หายใจหายใจทิ้งเปล่าๆทําทอะไรไม่เป็นไม่รู้จักใช้ประโยชน์7จขวบถึงจะรู้จักใช้ประโยชน์จากลมหายใจหายใจแล้วมันสบายหายใจแล้วมันมีความสุขเห็นไหมรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขใจก็ชอบรู้ลมหายใจใจไม่วอกแวกไปที่อื่นนี่เป็นหลักง่ายๆเลยถ้าอารมณ์ใดให้ความสุขนะจิตใจก็พอใจที่จะอยู่กับอารมณ์นั้นโดยไม่ต้องบังคับ เหมือนผู้ชายนะผู้ชายสักคนหนึ่งอยู่บ้านนี้แล้วมีความสุขก็ไปอยู่บ่อยอยู่บ้านนี้แล้วมีความทุกข์ก็ไปอยู่เท่าที่จำเป็นอย่างเงี้ยนันอยู่ที่ว่าอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขนะงั้นผู้หญิงนะสามีไปมีกิ๊กมีเ ก, ก็อะไรนะเราต้องพัฒนาตัวเราเองนะให้ใครมาอยู่ ใ, ใกล้เราก็มีความสุขเอาให้มันหึงไปเลยใครเข้าใกล้เราก็โอ้ยน่ารักจังมีความสุขเข้าใกล้แล้วอบอุ่น เดี๋ยวมันกขาสมสารกลับมาเองนะงั้นอยู่ที่ว่ามันมีความสุขไหมถ้าจิตใจมีความสุขอยู่ในอารมณ์มันใดจิตใจก็ชอบเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์มันนั้นโดยไม่ต้องเชื้อเชิญไม่ต้องบังคับนี่คือหลักของสมถะนั่นเองคนไหนชอบเจริญเมตตานะแผ่เมตตาแล้วจิตใจมีความสุขแผ่เมตตาไปเรื่อยใจก็ไม่คิดร้ายอะไรกับใครนะใจก็สงบสุขยกตัวอย่าง บางคนชอบดูร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะดูแล้วสบายใจมีนะดูเห็นกระดองกระดูปูชอบสนุกดูกระดูกไปเรื่อยๆทีแรกก็กระดูกเหมือนคนธรรมดาเนี้ยดูไปดูไปนั่นกระดูกค่อยใสขึ้นใสขึ้นจนเป็นแก้วเป็นแสงสว่างขึ้นมาดูแล้วมีความสุขอันไหนที่ดูแล้วมีความสุขจิตก็จะไม่ทิ้งมันไปทำนองเดียวกันกับทางโลกเหมือนกันนะอย่างเราอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วมีความสุข เพลิดเพินพอใจแล้วอ่านได้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อก่อนนะั้นหลวงพ่อเคยเสียท่าอ่านเพชพระอุมาอ่านจนตาเหลือกตาลานนะหลับไปนะหมดแรงหลับไปตื่นขึ้นมาคว้ามาอ่านต่อทําไมอะ่ะอ่านแล้วมันชอบไงใช่ไหมอ่านแล้วมันมีความสุขทุกคนเขียนนี่มันเก่งจริง ๆ, ๆยังอยู่ป่ะลูกยังอยู่แล้วโอ้อายุยืนมากนะเขียนมาตั้งแต่เราเด็กๆ บางคนชอบเล่นไพ่ถึงออกไหมชอบเล่นไพ่ให้ทํางานโต้รุ่งทําไม่ได้นะแต่เล่นไพ่โต้รุ่งทําได้ใช่ไหมใจมันเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์อย่างนี้บางคนก็ชอบดูบอลเห็น ไ, ไหมถึงฤดูเขาเตะบอลโลกบอลยุโรปอะไรเนี้ยดูได้ทั้งคืนเพราะอะไรเพราะมันมีความสุขอารมณ์ใดที่มีความสุขนะจิตก็ชอบเนี่ยหลักง่ายๆนะเพราะงั้นเราก็ไปเลือกเอาถ้าเราต้องการทําความสงบจิตเราก็ไปดู ว่าถ้าจิตเราไปรู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์มันนั้นแต่ก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งอย่าไปเอาอารมณ์อกุศลบางคนตกปลาแล้วมีความสุขอย่างนี้ไม่ดีบาปกรรมจะนํานความทุกข์มาให้ทีหลังหูหนวกตาบอดก็มองไม่รู้หรอกว่ามันมีผลของกรรมยังไงถ้ามองเป็นรู้เป็นนะนก็จะรู้เลยกรรมเล็กกรรมน้อยมีผลทั้งสิ้นอย่างถ้าเราไปทําสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตายอะไรนี่นะ เวลาเราภาวนานะมันกวนนะมันกวนอย่างไปบี้มดไปอะไรเงี้ยเวลานั่งภาวนาต้องตีคันยิบยๆๆไปทั้งตัวเลยกรรมมันให้ผลหลวงพ่อก็เคยทําตอนเด็กๆนะมันมีข้างคาวตัวหนึ่งบินว้ายวายเราเด็กเล็กๆ เ, เลยเห็นมันบินโฉบต้นตะขบทุกวันเลยโฉบไปโฉบมาแล้วก็ไปดักอยู่ที่หน้าต่างมีลวดอยู่เส้นหนึ่งแข่งแข่งตีมันดูสักทีที่จะทันไหมไม่เคยทันเลย ไม่เคยทันมันเลยวันหนึ่งเห็นมันบินมาอยู่ตรงนั้นแขวงโ p ะไปโดนมันเข้านะไม่ได้จงใจเลยไม่ได้กะว่ามันจะถูกหรอกเพราะว่าไม่เคยถูกอะนะแขวงแขวงแขวงดักหน้ามันเข้าเป็นถูกตัวมันเข้าตกลงไปที่พื้นนะเป็นเป็นทำปิ่งอยู่ที่พื้นนอนอยู่ที่พื้นโอ้เห็นแล้วใจหายเลยนะสงสารมากเลยสงสัว่าจะตายไม่ตายนะสักพักหนึ่งมันก็บินหนีไปนั่นเด็กเล็กๆเลยนะเสร็จแล้วลืม ลืมไปเลยส่วนกระทั่งโตแล้วมาพอนาพอนาเป็นแล้วด้วยวันหนึ่งนั่งสมาธิอยู่สบายนั่งสมาธิจิตสงบจิตสบายอยู่ได้ยินเสียงควับมาเลยนะเหมือนถูกหวดด้วยแสเข้ากลางหลังเลยนะสะท้านทั้งตัวเลยใจเนี่สั่นเล็กๆเๆยโอ้เจ็บนาดูทันทีที่ถูกกระทบนะเขาจะเจ็บอย่างแ ร, ง, แรงเนี่ยเห็นข้างเข่าก็าพึกปีกอยู่เลย น, ะนี่กำเล็กกำน้อยนะ ขนาดเด็กๆไปเล่นเล่ๆก็มีนะมีกรรมไม่ใช่ไม่มีเพรามันก็เจตนาเหมือนกันแต่ไม่ได้เจตนาจะฆ่าหรอกเจตนาสนสนแล้วนั่นเองสิ่งเหล่านี้ต้องเระมัดระวังทั้งหมดกรรมเล็กกรรมน้อยมันจะลบกวนการทําสมาธิของเรานี่ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเราก็รู้ๆไปนันก็ชดใช้หายไปค่อยๆฝึกของเราทุกวันน้อมใจมาอยู่ในอารมณ์ที่เพลิดเพลินที่สบายมีความสุข แต่ต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเช่นอยู่กับพุทธโธคิดถึงพระพุทธเจ้ามีกุศลคิดถึงพระธรรมมีกุศลคิดถึงครูบาอาจารย์มีกุศ ล, ง, าาศลงั้นเราค่อยๆฝึกนะกำชั่วเ ล, เล็กๆน้อยๆอะไรเนี่ยอย่าไปทํามันกรำดีทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสทําก็ทําไปค่อยๆฝึกของเราไปถ้าใจเราอยู่ในอารมณ์บรไหนเรามีความสุขนะอารมณ์ที่เป็นกุศลนะ คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยใจก็สงบสุขคิดถึงทานที่เราได้ทําแล้วด้วยดีคิดถึงศีลที่เรารักษาแล้วด้วยดีอะไรเนี้ยจิตใจก็มีความสุขคิดถึงร่างกายแค่ร่างกายตัวเองนะพีคิดถึงร่างกายคนอื่นแล้วกิเลสเกิดให้คิดถึงร่างกายของเราเองดูลงไปเรื่อยๆแทนที่จะให้ใจฟุง้งซ่านไปที่อื่นก็รู้อยู่ที่ร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกคอยให้จิตวนเวียนอยู่ในร่างกายจิตก็มีความสุขมีความสงบ เป็นคนคนนะบางคนดูร่างกายแล้วกลัวอย่างนี้นจิตไม่สงบบางคนดูแล้วสบายจิตก็สงบหรือจเจริญเมตตาไปเรื่อยๆนะจิตก็สงบแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันมีให้เลือกเยอะแยะบางคนคิดถึงความตายคิดถึงทุกวันทุกวันนะจิตมีความสุขมีท่านหนึ่งแต่งกลอนไว้ว่าคิดถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันในสันดาน ทำให้หายหายสะดุง้งไม่ยุ่งใจใช้เปล่าก็ไม่รู้คล้ายๆอ่ะ น, นะคิดถึงความตายคิดทุกวันโอ่สบายใจเนะนี่ยอะไรก็ได้นะหรืออาณาปณะสติก็คิดถึงลมหายใจคอยรู้ลมหายใจไปเรื่อยมีสติรู้ลมหายใจไปจิตใจก็มีความสุขต้องเลือกเอานะว่าอารมณ์อะไรที่จิตเราไปอยู่ด้วยแล้วมีความสุขจิตก็จะสงบเมื่อจิตสงบดีแล้วต่อไปก็ต้องถึงขั้นเจริญปัญญา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 เพรานจิตถอนออกจากสมาธิแล้วก็เห็นเลยจิตตะกี้สงบตอนนี้ไม่สงบจิตตะกี้สบายตอนนี้ชักจะไม่สบายนะจิตตะกี้นิ่งๆตอนนี้สายไปสายมามีสติตามดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเลยหรือดูร่างกายก็ได้พอจิตถอนออกจากสมาธินะลมหายใจค่อยๆหยาบขึ้นค่อยๆหยาบหยาบทีแรกมันก็เกิดความรู้สึกทางร่างกายก่อนสมาธิลึกจริงๆนะไม่มีร่างกายร่างกายหายไปเหลือแต่สติเหลือแต่จิต มีแต่จิตรู้ตัวเดียวถ้านั่งสมาธิแล้วงอกแงกงอกแงกขาดสติลืมเนื้อลืมตัวนั้นเป็นมิจฉาสมาธิห้ามทำนะนี่ถ้าทำ ส, สมาธิถูกต้องก็จะมีสติรู้เนื้อรู้ตัวสมาธิบางอย่างลึกมากร่างกายจะหายไปโลกาธาตุข้างนอกนี่หายไปหมดเหลือแต่ความรู้สึกตัวเดียวล้วนๆอยู่ข้างในพอจิตเริ่มถอนออกมานะมันจะเริ่มเกิดความคิดขึ้นมา ก, ก่อน พอมีความคิดขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วมีความรู้สึกกระทบเข้าที่ร่างกายร่างกายก็ปรากฏที่แรก ม, มันกระทบทางใจนะใจค่อยปรากฏขึ้นเด่นชัดขึ้นมาเริ่มทํางา น, นถ้ามีสติรู้ทันตรงนี้นะก็จะเห็นมันเริ่มทํางานแล้วคนไหนชํานาญในสมาธิก็ทรงอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นจิตมันทํางานอยู่ข้างในอนี้เป็นการเดินสมาธิควบกับกระจาญการเจริญปัญญานะถ้าตรงนี้ไม่ทันก็จิตมันก็ถอนออกมาอีก มาเห็นร่างกายรู้สึกถึงมีความมีกายรู้สึกเลยลมหายใจที่ไม่มีนะก็เริ่มมีลมหายใจขึ้นมาหยาบขึ้นหยาบขึ้นนะในส่วนร่างกายเนี่ยยังกระดุกกระดิกไม่ได้นะต่อมาร่างกายนี้ก็กระดุกกระดิกได้นะจะเคลื่อนไหวออกมาได้เริ่มสั่งร่างกายทํางานได้เนี่เราจะรู้สึกมาตลอดสายเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเร า, เราเหรอกเป็นท่อนๆ อ, อะไรท่อนหนึ่งมันนั่งอยู่ตะกี้หรือว่ามันนอนอยู่เมื่อกี้นี้นะ ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเนี่ยอย่างนี้ก็ใช้ได้เสร็จแล้วพอจิตถอนออกมาสู่โลกภายนอกเต็มที่แล้วเนี่ยถัดจากนั้นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนก็คอยมีสติตามรู้มันเรื่อยๆไปเห็นร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายนอนไม่ใช่เรานอนมีสติตามดูไปจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจเป็นสุขเราก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้จิตใจมีความโลภก็รู้ว่าจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภนะ จิตมันโกรธขึ้นมารู้ว่าจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธเราจะเห็นความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมขึ้นมาจิตมันหลงไปแอบไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งแล้วก็รู้ทันมันอีกเนี่ยตามรู้กายตามรู้จิตเรื่อยไปนี่เป็นการเจริญปัญญาพวกที่ฝึกสมาธินะจะอาภัพอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนเหมือนกันแทบทั้งนั้นเลยพอออกจากสมาธิแล้วเลิกปฏิบัติเลย อันนี้โง่ที่สุดเลยที่โงโอกาสที่แสนดีลงไปเพราะขณะที่ทําสมาธิจิตเข้าไปในสมาธินั้นจิตไม่ปรุงแต่งมากพอจิตเคลื่อนออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ยทั้งกายทั้งจิตนี่มันจะปรุงแต่งหยาบหยาบให้ดูมันจะดูง่ายมันคล้ายๆเรามีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งนะมีของเต็มโต๊ะเรากวาดทิ้งหมดเลยเราเช็ดโต๊ะซะสะอาดเอี่ยมเลยนี่เหมือนนั่งสมาธิมาจิตสงบ พอจิตถอนออกมาแล้วก็คล้ายๆว่าขี้ฝุ่นเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยตกลงมาบนโต๊นะนีชิ้นนิดเดียวเราก็มองเห็นแล้วเพราะโต๊ะนี้สะอาดจิตใจที่นั่งสมาธิมานะมีอะไรแปลกปลอมเข้ามานิดนึงก็มองเห็นง่ายเนี่ยข้อดีของการทําสมาธินะแต่บางคนทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมันมีวิธีปฏิบัติหลายแบบใช้สมาธินําปัญญาก็ได้ใช้สมาธิควบกับปัญญาก็ได้ใช้ปัญญานําสมาธิก็ได้มีทั้งหลายแบบแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่ต้องกลุ่มใจม่าทาสมาธิไม่ได้ถ้าจิตถอนออกจากสมาธิมีสติรู้กายรู้ใจต่อไปเลยเอจิตถอนจากสมาธิแล้วเลิกปฏิบัติไปเลยเนะีเสียโอกาสใช่ไหมขี้ฝุ่นเล็กขี้ฝุนน้อยตกลงมากูเลิกดูแล้วพอหมดเวลาปฏิบัติแบ่งชีวิตเป็นสองส่วนชีวิตที่เวลานั่งสมาธินี่เป็นชีวิตที่ปฏิบัติพอหมดเวลานั่งสมาธิแล้วเลิกปฏิบัติชีวิตจะมี2 ส, ส่วน คนใดที่แบ่งชีวิตเป็น2 ส, ส่วนอย่างนี้อย่ามาพูดถึงมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้เลยยังไม่มีโอกาสเราอินทรีย์ยังอ่อนเกินไปเพราะฉนั้นเราไม่เลิกปฏิบัตินะเรามีสติไปเรื่อยเลยส่วนมันจะเผลอสติจะขาดสติอะไรเป็นเรื่องธรรมดาของมันเราห้ามมันไม่ได้หรอกหรือเราเราต้องไปทํามาหากินไปทํางานต้องไปคิดไปนึกอะไรอย่างนี้ยเราก็ไม่ว่าอะไรมันหรอกนะแต่ว่าพอกิเลสแทรกเข้ามาพอสุขทุกขด์ดีชั่วอะไรแทรกเข้ามาเราค่อยมีสติรู้ทันเอา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 นี่บางคนพอถอนออกจากสมาธิช่วงที่ถอนออกมาเนี่ยเป็นช่วงที่จะเห็นสภาวะได้ชัดเจนก็ทิ้งไปเลยน่าเสียดายงั้นอย่าทิ้งนะพอใจถอยออกจากสมาธิมีสติตามดูแต่ที่พูดมาทั้งหมดนี้หมายถึงผู้ที่ทำสัมมาสมาธินะพวกมิจฉาสมาธิไม่ได้กินหรอกพวกที่ทำมิจฉาสมาธินั่งไปแล้วก็เคลิมขาดสติชีดมีแต่โมหะ ฉีดมืดมืดมัวมัวรู้ตัวรู้ปลุ่รู้ปลุ่ริบหลีริบห ล, ล, ลีนะบางทีก็ขาดความรู้สึกตัวไปเลยพอจิตถอนออกจากสมาธินี่มันแถมโมหะออกมาด้วยมันมืดมืดมัวมัวเสื่องซึมออกมาด้วยเพราะงั้นคนไหนนั่งสมาธิแล้วกลับมาสู่กับโลกภายนอกแล้วก็เสื่องเสื่องซึมซึมนะรู้เลยว่านั่นทำมิจชาสมาธิมาไม่ทําดีกว่านะไม่ทําซะยังจะดีกว่า ดันั้นต้องระมัดระวังนะสมาธิที่พวกเราทั้งหลายชอบทำกันนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิทำแล้วโมหะมากทําแล้วโลภะมากแล้วถอยออกมาอยู่กับโลกก็ัวสามารถใครกระทบ น, นิดนิดหน่อยหน่ก็โมโหล ะ, ะเพราะว่าติดใจในความสงบอยู่ภายในนั่นเป็นมิจฉาสมาธิใ น, นสมาธิต้องมีสติตลอดเลยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ขาดสติคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงกายคิดถึงลมหายใจคิดถึงอะไรก็มีสติฝึกให้มีสติไปเรื่อยๆ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 หลวงพ่อพูดเรื่องว่าร่างกายเป็นสุขเป็นทุกข์นะจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตใจเป e, ็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจเฉยเฉยจิตใจสติก็เป็นผู้รู้ผู้ดูมีคนตัวรู้ตัวดูอยู่นะไม่เท่ากันนะเวทนาทางกายเนี่ยมีสุขมีทุกข์ทางใจมีอุเบกขาด้วยนะเฉยเฉยฉะนั้นจิตใจเป็นอกุศลหรือจิตใจเป็นกุศลนะสติก็ยังเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู แต่คนที่ฝึกสมาธิมาแล้วมันจะมีตัวรู้ยังมีตัวผู้รู้อยู่แต่คนที่มีตัวผู้รู้เนี่ยห้ามบังคับห้ามรักษาตัวผู้รู้ถ้ารักษาตัวผู้รู้จะมีปัญหามากหลวงพ่อฝึกกรรมฐานมาหลวงพ่อฝึกมาแบบมีตัวรู้ก็ฝึกทําสมาธิมาแต่เด็กหลวงปู่ดูลถึงเตือนครั้งสุดท้ายที่พบท่านนะท่านบอกให้ทําลายผู้รู้ซะนะเพราะผู้รู้ต้องทําลายผู้รู้พวกเราบางคนนะชาตินี้ยังไม่เคยมีผู้รู้เลยไม่ต้องมาทําลายผู้รู้หรอกจะทําลายสติ เคยมีพระองค์หนึ่งไปเรียนกับหลวงพ่อนะมาคุยมาถึงก็อย่างนี้มาเลยผมทําลายผู้รู้ไปหมดแล้วนะบอกเขย่าท่านนะหายใจไว้หายใจไว้หายใจแรงๆไว้ที่ทําลายนั้นทำลายสติไปหมดแล้วไม่ใช่ทําลายผู้รู้นะคนที่ฝึกสมาธิมาก่อนนะจนเกิดตัวรู้มีสัมมาสมาธิมีผู้รู้แล้วพอมีผู้รู้เนี่ยมารู้กายเห็นกายเนี่ยจะชัดเลย เห็นอะไรๆชัดหมดนะจิตยขยับกุ๊ยๆกุ๊กๆนี่เห็นหมดเลยนี่ก็เป็นข้อได้เปรียบของพวกที่มีตัวรูู้้พวกทําสมาธิมาก่อนข้อเสียเปรียบคือต้องทําลายมันทีหลังคล้ายๆสร้างอาวุธไร้แรงขึ้นมาแล้วต้องหาทางขาจัดอาวุธนี้อาวุธนิวเคลียร์อะไรต้องขจัดกากนิวเคลียร์ทีหลังลําบากอีกวิธีหนึ่งไม่ได้เริ่มจากสมาธิหรอกมีสติรู้ทันจิตใจของเราเข้าไปเลยอันนี้สําหรับคนซึ่ง ไม่สามารถทำสมาธิได้ดูจิตดูใจเข้าไปซื้อๆดูจิตดูใจที่ไม่ต้องทำสมาธิก่อนถ้าไปทำสมาธิก่อนจะไม่มีอะไรให้ดูจะมีแต่ความนิ่งความว่างและไม่มีไตรรักษณ์เะฉั้นอย่าไปทำสมาธิก่อนนะถ้าจะดูจิตดูมันเข้าไปตรงๆเลยจนหมดแรงที่จะดูนั่นแหละถึงจะกลับไปทำสมาธิพักผ่อนนี่คนที่เคยจเจริญปัญญาจนคุ้นเคยเวลาทาสมาธิพักผ่อนนั้นมันจะรวมวุบเดียว ไม่รวมนานนะรวมปุ๊บเดี๋ยวก็จะถอนขึ้นมาแล้วมาเดินปัญญาต่อมาดูจิตต่อล้วแค่นั้นก็พอแลแี่ยสมาธิมันจะเกิดนะแต่ว่าเกิดสั้นๆไม่นานไม่เหมือนพวกเข้าภาวนาเข้าฌานเข้าสมาธิเต็มรูปแบบงั้นเราดูจิตดูใจของเราไปบางทีใจก็รวมว่างๆไปเฉยๆบางทีดูไปดูไปไม่มีแรงพอนะจิตจะเคลื่อนออกไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไปว่างๆอยู่ข้างหน้าที่หลวงพ่อบอกว่าจิตไม่ถึงฐานนี ถ้าชำนาญพอนะเรามาอยู่กับว่างตัวนี้เป็นการพักผ่อนพอพักผ่อนพอสมควรแล้วนะกลับมาปล่อยให้จิตทำงานต่ออย่างนี้ก็ทำได้นะเป็นวิธีทำสมาธิของผู้ชำนาญในการดูจิตดูใจเรียกว่าทำอรูปดูอรูปดูอารมณ์ที่เป็นอรูปประชาญดังการฝึกปฏิบัติมีหลายแบบโดยสรุปก็คืออันหนึ่งใช้สมาธินำปัญญาสมาธินั้นต้องเป็นสัมมาสมาธิไม่ขาดสติ พอจิตถอนออกจากสมาธิแล้วตามรู้ตามดูกายตามดูใจไปเลยด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูห้ามรักษาผู้รู้ผู้ดูไว้ปล่อยให้ผู้รู้ผู้ดูทํางานอย่างอิสระมีก็มีหายไปก็หายไปไม่เป็นไรนะวิธีที่2ทําสมาธิอยู่แล้วจิตเคลื่อนขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตภายในสมาธิดูไปได้เลยเห็นองค์ของสมาธิองค์ธรรมของสมาธนะินั้นก็เกิดดับเหมือนกัน เช่นอยู่ในฌานที่ลึกนะพอถอนออกมาเราเห็นเลยความสงบนั้นหายไปละกายอุเบกขาหายไปเป็นความสุขขึ้นมาแท น, นเดินปัญญาอยู่ในฌานนะอีกอันนึงถอยออกมาอยู่กับโลกข้างนอกเลยนะใช้ปัญญานำสมาธิไม่ต้องเข้าฌานหัดรู้กายหัดรู้ใจดูไปเรื่อยๆโดยเฉพาะดูใจเนี่ยดูง่ายใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีสติตามรู้ตามดูไปเรื่อย จิตจะรวมเข้าเป็นสมาธิช่วงขณะเรียกคณิกาสมาธินะรวมแวบๆบแบบรวมเป็นครั้งเป็นคลาวไปเรื่อยๆแคลยๆเป็นจุดหยุดพักเป็นช่วงช่วงช่วงของจิตไปนะตรงนี้ฝึกแค่นี้ก็พอนะสําหรับคนที่ทําสมาธิไม่ไดนะ้การที่หัดดูจิตดูใจแล้วจิตรวมเป็นช่วงช่วงช่วงนะถึงเวลาที่จะเกิดอริยมรรคอริยผลเนี่ยจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิเองไม่ต้องกลัวว่าเข้าไม่ได้เข้าได้แน่นอน พอได้เป็นพระโสดาบันนะอย่างน้อยปฐมฌานเนี่เป็นของเล่นของแถมติดเนื้อติดตัวไวนะ้มีขึ้นมาเองแหละเวลาจะต้องการพักผ่อนก็อยู่กับสมาธิไปถ้าชำนี้ชํานาญในพระนิพพานก็อยู่กับนิพพานไปแล้วแต่ว่าจะอยู่กับอะไรถ้าไม่ชํานาญในพระ น, นิพพานก็อยู่กับลมหายใจก็ได้นี่เป็นอยู่กับรูปไปอยู่ในความว่างก็ได้เรียกว่าอยู่กับน้ำกนะ็แล้วแต่ความชํชนานิชํานาญของแต่ละคนไม่เหมือนกัน งั้นทางปฏิบัติมีหลายทางนะอย่าหัวดื้อนะพวกที่ทําสมาธิส่วนใหญ่เป็นมิจฉาสมาธิฟังไว้นะพวกที่ติดสมาธิงอมแงมเลยหัวดือ้อหัวร้านสุดๆเลยแก้ยากที่สุดมาถึงวันนี้คนไหนแก้ยากหลวงพ่อก็ปล่อยทิ้งแล้วไม่แก้ให้แล้วนะเพราะงั้นอย่าดื้อมากเชิญไปทานข้าวนี่มลเลยครับ